เชิญท่านสาธุชนสดับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระโคธิยานเถระหลวงก่อชาสุภัทโทแห่งวัดหนองป่าพงเรื่องโอวาทบางตอนสมมุติและวิมุติ ได้นับถือพระพุทธศาสนามาเป็นเวลานานเคยได้ยินได้ฟังเรื่องเกี่ยวกับธรรมในพระพุทธศาสนามาจากครูบาอาจารย์มากมากซึ่งบางท่านก็สอนอย่างพิสดารกว้างเกินไปจนไม่ทราบว่าจะกําหนดเอาไปปฏิบัติได้อย่างไรบางท่านก็สอนลัดเกินไปจนผู้ฟังยากที่จะเข้าใจเพราะว่ากันตามตำรา บางท่านก็สอนพอปานกลางไม่กว้างและไม่หลันเหมาะที่จะนําไปปฏิบัติจนตัวเองได้รับประโยชน์จากธรรมนั้นๆพอสมควรอาตมาจึงใคร่อยากจะเสนอข้อคิดและการปฏิบัติซึ่งเคยดําเนินมาและได้แนะนําสิทธิ์ทั้งหลายอยู่เป็นประจำให้ท่านทั้งหลายได้ทราบบางทีอาจจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจอยู่บ้างก็เป็นได้ ผู้ที่จะเข้าถึงพุทธธรรมนั้นเบื้องต้นจะต้องทําตนให้เป็นคนมีความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เป็นประจำและเข้าใจความหมายของคําว่าพุทธธรรมต่อไปว่าพุท ธ, ธหมายถึงขั้นผู้รู้ตามเป็นจริงจนมีความสะอาดสงบสว่างในใจธรรมหมายถึงตัวความสะอาดสงบสว่าง ได้แก่ศีลสมาธิปัญญาดังนั้นผู้ที่เข้าถึงพุทธธรรมก็คือคนเข้าถึงศีลสมาธิปัญญานี่เองตามธรรมดาการที่บุคคลจะไปถึงบ้านถึงเรือนได้นั้นมิใช่บุคคลที่มัวนอนคิดเอาเขาเองจะต้องลงมือเดินทางด้วยตนเองและเดินทางให้ถูกทางด้วยจึงจะมีความสะดวกและถึงที่หมายได้ หากเดินผิดทางเขาจะได้รับอุปสรรคเช่นพบขวางหนามเป็นต้นและยังไกลที่หมายออกไปทุกทีหรือบางทีอาจจะได้รับอันตรายระหว่างทางไม่มีวันที่จะเข้าถึงบ้านได้เมื่อเดินไปถึงบ้านแล้วจะต้องขึ้นอยู่อาศัยพักพรหลับนอนเป็นที่สบายทั้งกายและใจจึงจะเรียกว่าคนถึงบ้านได้โดยสมบูรณ์ ถ้าหากเป็นแต่เพียงเดินเฉียดบ้านหรือผ่านบ้านไปเฉยๆคนเดินทางผู้นั้นจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยจากการเดินทางของเขาข้อนี้ฉันใดการเดินทางเข้าถึงพุทธธรรมก็เหมือนกันทุกๆคนจะต้องออกเดินทางด้วยตนเองไม่มีการเดินแทนกันและต้องเดินไปตามทางแห่งศีลสมาธิปัญญาจนถึงซึ่งที่หมายได้รับความสะอาดสงบสว่าง นับว่าเป็นประโยชน์เหลือหลายแก่ผู้เดินทางเองแต่ถ้าหากผู้ใดมัวแต่อ่านตำรากางแผนที่ออกดูอยู่ตั้งร้อยปีร้อยชาติผู้นั้นไม่สามารถไปถึงที่หมายได้เลยเขาจะเสียเวลาเปล่าเปล่าปล่อยประโยชน์ที่ตนจะได้รับให้ผ่านเลยไปครูบาอาจารย์เป็นผู้บอกให้เท่านั้นเราทั้งหลายได้ฟังแล้วจะเดินหรือไม่เดิน และจะได้รับผลมากน้อยเพียงใดนั่นมันเรื่องเฉพาะตนอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนหมอยายื่นขวดยาให้คนไข้ข้างนอกขวดเขาเขียนบอกสรรพคุณของยาไว้ว่าแก้โรคชนิดนั้นๆส่วนตัวยาแก้โรคนั้นอยู่ข้างในขวดที่คนไข้มัวอ่านสรรพคุณของยาที่ติดไว้ข้างนอกขวดอ่านไปตั้งร้อยครั้งพันครั้ง คนไข้ผู้นั้นจะต้องตายเปล่าโดยไม่ได้รับประโยชน์จากตัวยานั้นเลยและเขาจะมาร้องตีโพยตีพายว่าหมอไม่ดียาไม่มีสรรพคุณแก้โรคอะไรก็ไม่ได้เขาจึงเห็นว่ายาที่หมอให้ไว้ไม่มีประโยชน์อะไรทั้งๆ ท, ที่ตัวเองไม่เคยเปิดจุกขวดรินยาออกกินเลยเพราะมัวแต่ไปติดใจอ่านฉลากยาซึ่งติดอยู่ข้างขวดเซจนเพลิน แต่ถ้าหากเขาเชื่อหมอจะอ่านฉลากครั้งเดียวหรือไม่อ่านก็ได้แต่ลงมือกินยาตามคําสั่งของหมอถ้าคนไข้เป็นน้อยเขาก็หายจากโรคแต่ถ้าหากเป็นมากอาการของโรคก็จะทุเลาลงและถ้าหากกินบ่อยๆโรคก็จะหายไปเองที่ต้องกินยามากและบ่อยครั้งก็เพราะโรครามันมากเรื่องนี้เป็นธรรมดาเหลือเกิน ดังนั้นท่านผู้ฟังจงใช้สติปัญญาพิจารณาให้ละเอียดจริงๆจึงจะเข้าใจดีพวกแพทย์พวกหมอเขาปรุงยาปราบโรคทางกายจะเรียกว่าสรีระโอสถก็ได้ส่วนธรรมของพระพุทธเจ้านั้นใช้ปราบโรคทางใจเรียกว่าธรรมโอสถ ด, ดังนั้นพระพุทธองค์ จึงเป็นแพทย์ผู้ปราบโรคทางใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกโรคทางใจเป็นได้ไหวและเป็นได้ทุกคนไม่เว้นเลยเมื่อท่านรู้ว่าท่านเป็นไข้ใจจะไม่ใช้รรมโอสถ ร, รักษาบ้านหรือพิจารณาดูเถิดการเดินทางเข้าถึงพุทธธรรมไม่ใช่เดินด้วยกายแต่ต้องเดินด้วยใจจึงจะเข้าถึงได้ ได้แบ่งผู้เดินทางออกเป็นสามชั้นคือชั้นต่ำได้แก่ผู้รู้จักปฏิญาณตนเองเอาพระพุทธระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอาศัยตั้งใจปฏิบัติตามคำสั่งสอนด้วยดีและทิ้งประเพณีที่งมงายและเชื่อมงคลตื่นข่าวจะเชื่ออะไรต้องพิจารณาเหตุผลสก่อนคนพวกนี้เรียกว่าสาทุชนชั้นกลาง หมายถึงผู้ปฏิบัติจนเชื่อต่อพระรัตนตรัยอย่างแน่นแฟ้นไม่เสื่อมคลายรู้เท่าทันสังขารพยายามสลากความยึดมั่นถือมั่นให้น้อยลงมีจิตเข้าถึงทําสูงขึ้นเป็นขั้นขั้นท่านเหล่านี้เรียกว่าพระอริยบุคคลคือพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีชั้นสูงได้แก่ผู้ปฏิบัติ จนกายวาจาใจเป็นพุท ธ, ธเป็นผู้พ้นจากโลกอยู่เหนือโลกหมดความยึดถืออย่างสิ้นเชิงเรียกว่าพระอาหารหันต์ซึ่งเป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงสุดสีนั้นคือระเบียบการควบคุมรักษากายวาจาให้เรียบร้อยว่าโดยประเภทมีทั้งของชาวบ้านและของนักบวชแต่เมื่อกล่าวโดยรวบยอดแล้วมีอย่างเดียว คือเจตนาในเมื่อเรามีสติระลึกได้อยู่เสมอเพื่อควบคุมใจให้รู้จักละอายต่อการทําชั่วเสียหายแล้วรู้สึกตัวกลัวผลของความชั่วจะตามมาพยายามรักษาใจให้อยู่ในแนวทางแห่งการปฏิบัติที่ถูกที่ควรเป็นศีลอย่างดีอยู่แล้วตามธรรมดาเมื่อเราใช้เสื้อผ้าที่สกปรกและตัวเองก็สกปรก ย่อมทำให้จิตใจอึดอัดไม่สบายแต่ถ้าหากเรารู้จักรักษาความสะอาดทั้งร่างกายและเสื้อผ้าคเครื่องนุ่งหม่มย่อมทำให้จิตใจผ่องใสเบิกบานดังนั้นเมื่อศีลไม่บริสุทธิ์เพราะกายวาจาสกรปรกก็เป็นผลให้จิตใจเศร้าหมองขัดต่อการปฏิบัติธรรมและเป็นเครื่องกั้นใจมิให้บรรลุถึงจุดหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจิตใจที่ได้รับการฝึกมาดี ห, หรือไม่เท่านั้นเพราะใจเป็นผ for for Love, er ู้สั่งให้พูดให้ทาฉะนั้นเราจึงต้องมีการฝึกจิตใจต่네อไปการฝึกสมาธิก็คือการฝึกจิตของเราให้ตั้งมั่นและมีความสงบเพราะตามปกติจิตนี้เป็นธรรมชาติดิ่นรนกวัดแกงห้ามได้ยากรักษาได้ยาก ชอบไหลไปตามอารมณ์ต่ำๆเหมือนน้ำชอบไหลสู่ที่ลุ่มเสมอพวกเกษตรกรเขารู้จักกั้นน้ำไว้ทำประโยชน์ในการเพาะปลูกต่างๆมนุษย์เรามีความฉลาดรู้จักเก็บรักษาน้ำเช่นกั้นฝายทำทำนกทำชนรประทานเหล่านี้ก็ล้วนแต่กั้นน้ำไว้ทำประโยชน์ทั้งนั้นพลังงานไฟฟ้าที่ให้ความสวา่างและใช้ทาประโยชน์อื่นๆ ก็ยังอาศัยน้าที่คนเรารู้จักกั้นไว้นี่เองไม่ปล่อยให้มันไหลลงที่ลุ่มเสียหมดดังนั้นจิตใจที่มีการกั้นการฝึกที่ดีอยู่ก็ให้ประโยชน์อย่างมหาศาลเช่นกันดังพระพุทธองค์ตรัสว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้การฝึกจิตให้ดีย่อมสำเร็จประโยชน์ดังนี้เป็นต้น เราสังเกตดูแต่สัตว์พานะเช่นช้างมา้าวัวควายก่อนที่เราจะมาใช้งานก็ต้องฝึกเสียก่อนเมื่อฝึกดีแล้วเราจึงได้อาศัยแรงงานมันทําประโยชน์ให้นาน า, นาประการท่านทั้งหลายก็ทราบแล้วจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมมีคุณค่ามากมายกว่ากันหลายเท่าดูแต่พระพุทธองค์และพระอริยสาวกได้เปลี่ยนภาวะจากปุถุชน มาเป็นพระอริยบุคคลจนเป็นที่กราบไหว้ของคนทั่วไปและท่านยังได้ทำประโยชน์อย่างกว้างขวางเหลือประมาณที่เราเราจะกำหนดก็เพราะพระองค์และสาวกได้ผ่านการฝึกจิตมาด้วยดีแล้วทั้งนั้นจิตที่เราฝึกดีแล้วย่อมเป็นประโยชน์แก่การประกอบอาชีพทุกอย่างยังเป็นทางให้รู้จักทำงานด้วยความรอบคอบ ไม่เป็นคนหุนหันพลันแล่นทำให้ตนเองมีเหตุผลและได้รับความสุขตามสมควรแก่ฐานะการฝึกจิตมีอยู่หลายวิธีด้วยกันแต่วิธีที่เห็นว่ามีประโยชน์และเหมาะสมที่สุดใช้ได้กับบุคคลทั่วไปวิธีนั้นเรียกว่าอาณาปานสติภาวนาคือมีสติจับอยู่ที่ลมหายใจเข้าและหายใจออก ที่สำนักนี้ให้กำหนดลมที่ปลายจมูกโดยภาวนาว่าพุทโธในเวลาเดินจงกรมและนั่งสมาธิก็ภาวนาบทนี้จะใช้บทอื่นหรือจะกำหนดเพียงการเข้าออกของลมก็ได้แล้วแต่สะดวกข้อสำคัญอยู่ที่ว่าพยายามกำหนดลมเข้าออกให้ทันเท่านั้นการเจริญภาวนาบทนี้จะต้องทำติดต่อกันไปเรื่อยๆจึงจะได้ผล ไม่ใช่ว่าทำครั้งหนึ่งแล้วหยุดไปตั้งอาทิตย์สองอาทิตย์หรือตั้งเดือนจึงทำอีกอย่างนี้ไม่ได้ผลพระพุทธองค์ตรัสสอนว่าภาวิตาพหุลีกตาอบรมกระทำให้มากคือทำบ่อยๆติดต่อกันไปการฝึกจิตใหม่ๆเพื่อให้ได้ผลควรเลือกหาที่สงบไม่มีคนพลุกพลานเช่นในสวนหลังบ้านหรือต้นไม้ที่มีร่มเงาดีๆ แต่ถ้าเป็นนักบวชควรสแสวงหาเรือนว่างหรือกระท่อมโคนไม้ป่าป่าช้าถ้ำตามภูเขาเป็นที่บำเพ็ญเหมาะที่สุดเราจะอยู่ที่ใดก็ตามใช้สติกำหนดลมหายใจอย่างเดียวแม้จิตใจจะคิดไปเรื่องอื่นก็พยายามดึงกลับมาทิ้งเรื่องอื่นๆทั้งหมดโดยไม่พยายามคิดถึงมัน รู้ให้ทันกับความคิดนั้นๆเมื่อทำเข้าบ่อยๆจิตจะสงบลงเรื่อยๆเมื่อจิตสงบตั้งนั่นแล้วถอยจิตนั้นมาพิจารณาร่างกายร่างกายคือขันห้าได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์หาตัวตนไม่ได้มีแต่ธรรมชาติไหลไปตามเหตุ ตามปัจจัยเท่านั้นสิ่งทั้งปวงตกอยู่ในลักษณะที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นความยึดมั่นต่างๆก็จะน้อยลงน้อยลงเพราะเรารู้เท่าทันมันเรียกว่าเกิดปัญญาขึ้นเมื่อเราใช้จิตที่ฝึกดีแล้วพิจารณารูปนามอยู่อย่างนี้ให้รู้แจ้งแน่ชัดว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ปัญญารู้เท่าทันสภาพความเป็นจริงของสังขารก็เกิดเป็นเหตุให้เราไม่ยึดถือหรือหลงไหลเมื่อเราได้อะไรมาก็มีสติไม่ดีใจจนเกินไปเมื่อของสูญหายไปก็ไม่เสียใจจนเกิดทุกขเวทนาเพราะรู้เท่าทันเมื่อประสบความเจ็บไข้หรือได้รับทุกข์อื่นๆก็มีการยับยั้งใจ เพราะอาศัยจิตที่ฝึกมาดีแล้วเรียกว่ามีที่พึ่งทางใจเป็นอย่างดีสิ่งเหล่านี้เรียกได้ว่าเกิดปัญญารู้ทันตามความเป็นจริงที่จะเกิดปัญญาเพราะมีสมาธิสมาธิจะเกิดเพราะมีศีลมันเกี่ยวโยงกันอยู่อย่างนี้ไม่อาจแยกออกจากกันไปได้สรุปได้ความดังนี้อาการบังคับตัวเองให้กาหนดลมหายใจ ข้อนี้เป็นศีลการกำหนดลมหายใจได้และติดต่อกันไปจนจิตสงบข้อนี้เรียกว่าสมาธิการพิจารณากำหนดรู้ลมหายใจว่าไม่เที่ยงทนได้ยากมิใช่ตัวตนแล้วรู้การปล่อยวางข้อนี้เรียกว่าปัญญาการทำอาณาปญญานสติภาวนาจึงกล่าวได้ว่าเป็นการบำเพ็ญทั้งศีลสมาธิปัญญาไปพร้อมกัน และเมื่อทำศีลสมาธิปัญญาให้ครบก็ชื่อว่าได้เดินทางตามมักมีองแปดที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นทางสายเอกประเสริฐกว่าทางทั้งหมดเพราะจะเป็นการเดินทางเข้าถึงพระนิพพานเมื่อเราทำตามที่กล่าวมา น, นี้ชื่อว่าเป็นการเข้าถึงพุทธธรรมอย่างถูกต้องที่สุดเมื่อเราปฏิบัติตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น ย่อมมีผลปรากฏ ต, ตามระดับจิตของผู้ปฏิบัตินั้นซึ่งแบ่งเป็นสามพวกดังนี้สำหรับสามัญชนผู้ปฏิบัติตามย่อมทำให้เกิดความเชื่อในคุณพระตนะไตรถือเอาเป็นที่พึ่งได้ทั้งเชื่อตามผลกรรมว่าทำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วจะทําให้ผู้นั้นมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นเปรียบเหมือนได้กินขนมหวานที่มีรสหวาน สำหรับพระอริยบุคคลชั้นต่าย่อมมีความเชื่อในคุณพระรัตนไตรแน่นแฟนไม่เสือ่อมคลายเป็นผู้มีจิตใจผ่องใสดิ่งสู่นิพพานเปรียบเหมือนคนได้กินของหวานซึ่งมีทั้งรสหวานและมันสำหรับท่านผู้ได้บรรลุอรหัตผลย่อมมีความหลุดพ้นจากห้วงทุกข์ทั้งปวงเพราะเป็นพุท ธ, ธะแล้วพ้นจากโลก อยู่จบรมจริย์เปรียบเหมือนได้กินของหวานที่มีทั้งรสหวานมันและหอมเราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเป็นการยากแท้ที่สัตว์หลายล้านตัวไม่มีโอกาสอย่างเราจงอยาประมาทรีบสร้างบารมีให้แก่ตนด้วยการทำดีทั้งชั้นต้นชั้นกลางและชั้นสูง อย่าปล่อยให้เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ฉะนั้นควรจะทำตนให้เข้าถึงพุทธธรรมเสียแต่วันนี้ขอฝากพาสิทธว่าเที่ยวทางเวิ้งเหิง น, นานมันสิคำเมานำตาบักว่ามันสิช้าคำทางสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งสมมุติที่เราสมมุติขึ้นมาเอง สมมุติแล้วก็หลงสมมุติของตัวเองเลยไม่มีใครว่างมันเป็นทิฏฐิมันเป็นมานะความยึดมั่นถือมั่นอันความยึดมั่นถือมั่นนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะจบได้มันจบลงไม่ได้สักทีเป็นเรื่องวัตฏะสงสารที่ไหลไปไม่ขาดไม่มีทางสิ้นสุดที่นี้ถ้าเรารู้จักสมมุติแล้วก็รู้จักวิมุตติครั้นรู้จักวิมุตติแล้วก็รู้จักสมมติ ก็จะเป็นผู้รู้จักธรรมะอันหมดสิ้นได้ก็เหมือนเราทุกคนนี่แหละแต่เดิมชื่อของเราก็ไม่มีคือตอนเกิดมาก็ไม่มีชื่อที่มีชื่อขึ้นมาก็โดยสมมติกันขึ้นมาเองอาตมาพิจารณาดูว่าเอสมมตินี่ถ้าไม่รู้จักมันจริงๆแล้วมันก็เป็นโทษมากความจริงมันเป็นของเอามาใช้ให้เรารู้จักเรื่องราวมันเฉยๆเท่านั้นก็พอ ให้รู้ว่าถ้าไม่มีเรื่องสมมุตินี้ก็ไม่มีเรื่องที่จะพูดกันไม่มีเรื่องที่จะบอกกันไม่มีภาษาที่จะใช้กันเมื่อครั้งที่อาตมาไปต่างประเทศอาตมาได้ไปเห็นพวกฝรั่งไปนั่งกรรมฐานกันอยู่เป็นแถวเวลาจะลุกขึ้นออกไปไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็ต่างเห็นจับหัวกับผู้นั้นผู้นี้ไปเรื่อยๆก็เลยมาเห็นได้ว่าโอ้ สมมุตินี้ถ้าลงไปตั้งลงที่ไหนไปยึดมั่นหมายมั่นมันก็จะเกิดกิเลสอยู่ที่นั่นถ้าเราวางสมมุติได้ยอมมันแล้วก็สบายอย่างพวกทหารนายพลนายพันมาที่นี่ก็เป็นผู้มียศถาบรรดาศักดิ์ครั้นมาถึงอาตมาแล้วก็พูดว่าหลวงพ่อกรุณาจับหัวให้ผมหน่อยครับนี่แสดงว่าถ้ายอมแล้วมันก็ไม่มีพิษอยู่ที่นั่น พอลูกหัวให้เขาเขาดีใจด้วยซ้ำแต่ถ้าไปลูกหัวเขาที่กลางถนนดูสิไม่เกิดเรื่องก็ลองดูนี่คือความยึดมั่นถือมั่นเอาไว้ฉะนั้นอาตมาว่าการวางนี้มันสบายจริงๆเมื่อตั้งใจว่าเอาหัวมาให้อาตมาลูกก็สมมติลงไปว่าไม่เป็นอะไรแล้วก็ไม่เป็นอะไรจริงๆ รูปอยู่เหมือนหัวเผือกหัวมันแต่ถ้าเราเป็นรูปอยู่กลางทางไม่ได้แน่นอนนี่แหละเรื่องของการยอมการละการวางการปรง่งทำได้แล้วมันเบาอย่างนี้ครั้นไปยึดที่ไหนมันก็เป็นภพที่นั่นเป็นชาติที่นั่นมีพิษมีภัยขึ้นที่นั่น พุทธองค์ของเราท่านทรงสอนสมมุติแล้วก็ทรงสอนให้รู้จักแก้สมมุติโดยถูกเรื่องของมันให้มันเห็นเป็นมีมุติอย่าไปยึดมั่นหรือถือมั่นมันสิ่งที่มันเกิดมาในโลกนี้ก็เรื่องสมมุติทั้งนั้นมันจึงเป็นขึ้นมาครั้นเป็นขึ้นมาแล้วและสมมติแล้วก็อย่าไปหลงสมมตินั้นท่านว่ามันเป็นทุกเรื่องสมมุติเรื่องบัญญัตินี้เป็นเรื่องสาคัญที่สุด ถ้าคนไหนปล่อยคนไหนวางได้มันก็หมดทุกข์แต่เป็นกริยาของโลกเราเช่นว่าพ่อบุญมานี้เป็นนายอำเภอเท่าแก่แสงชัยไม่ได้เป็นนายอำเภอแต่ก็เป็นเพื่อนกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเมื่อพ่อบุญมาได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายอำเภอก็เป็นสมมุติขึ้นมาแล้วแต่ก็ให้รู้จักใช้สมมุติให้เหมาะสมสักหน่อยเพราะเรายังอยู่ในโลก ถ้าเท่าแก่แสงชัยขึ้นไปหานายอำเภอที่ที่ทำงานและเท่าแก่แสงชัยไปจับหัวนายอำเภอมันก็ไม่ดีจะไปคิดว่าแต่ก่อนเคยอยู่ด้วยกันหามจักเย็บผ้าด้วยการจวนจะตายครั้งนั้นจะไปเล่นหัวให้คนเห็นมันก็ไม่ถูกไม่ดีต้องให้เกียรติกันสักหน่อยอย่างนี้ก็ควรปฏิบัติให้เหมาะสมตามสมมุติในหมู่มนุษย์ทั้งหลายจึงจะอยู่กันได้ด้วยดีถึงจะเป็นเพื่อนกันมาแต่ครั้งไหนก็ตาม เขาเป็นนายอำเภอแล้วต้องยกย่องเขาเมื่อออกจากที่ทำงานมาถึงบ้านถึงเรือนแล้วจึงจับหัวกันได้ไม่เป็นอะไรก็จับหัวนายอำเภอนั่นแหละแต่ไปจับอยู่ที่สารกลางคนเยอะๆก็อาจจะผิดแน่นี่ก็เรียกว่าให้เกียรติกันอย่างนี้ถ้ารู้จักใช้อย่างนี้มันก็เกิดประโยชน์ถึงแม้จะสนิทกันนานแค่ไหนก็ตามพ่อบุญมาก็คงจะต้องโกรธ หากว่าไปทำในหมู่คนมากๆเพราะเขาเป็นนายอาเภอแล้วนี่แหละมันก็เรื่องปฏิบัติเท่านี้แหละโลกเราให้รู้จักการรู้จักเวลารู้จักบุคคลท่านจึงให้เป็นผู้ชนาสมมุติก็รู้จักวิมุติก็ให้รู้จักให้รู้จักในคราวที่เราจะใช้ถ้าเราใช้ให้ถูกต้องมันก็ไม่เป็นอะไรถ้าใช้ไม่ถูกต้องมันก็ผิด มันผิดอะไรมันผิดกิเลส ข, ของคนนี่แหละมันไม่ผิดหัดอื่นหรอกเพราะคนเหล่านี้อยู่กับกิเลสมันก็เป็นกิเลสอยู่แล้วนี่คือเรื่องปฏิบัติของสมมุติปฏิบัติเฉพาะในที่ประชุมชนในบุคคลในกาลในเวลาก็คือใช้สมมุติบัญญัติอันนี้ได้ตามความเหมาะสมก็เรียกว่าคนฉลาดให้เรารู้จักต้น รู้จักปลายทั้งที่เราอยู่ในสมมุตินี่แหละมันทุกเพราะความไปยึดมั่นหมายมั่นมันแต่ถ้ารู้จักสมมุติให้มันเป็นมันก็เป็นขึ้นมาเป็นขึ้นมาได้โดยฐานที่เราสมมุติแต่มันค้นไปจริงๆไปจนถึงวิมุตมันก็ไม่มีอะไรเลยอาตมาเคยเล่าให้ฟังว่าพวกเราทั้งหลายที่มาบวชเป็นพระเนี้ แต่ก่อนเป็นครวะก็สมมุติเป็นคารวะมาสวดสมมุติให้เป็นพระก็เลยเป็นพระแต่เป็นพระเนนเพียงสมมุติพระแท้ๆยังไม่เป็นเป็นเพียงสมมุติยังไม่เป็นวิมุตตินี่ถ้าหากว่าเรามาปฏิบัติให้จิตหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเหล่านี้เป็นขั้นๆไปตั้งแต่ขั้นโสดาสกิทาคามีอนาคามีไปจนถึงพระอรหันต์นั้นเป็นเรื่องละกิเลสแล้ว แม้แต่พระอาราหันต์แล้วก็ยังเป็นเรื่องสมมุติอยู่นั่นเองคือสมมุติอยู่ว่าเป็นพระอาราหันต์อันนั้นเป็นพระแท้ครั้งแรกก็สมมติอย่างนี้คือสมมุติว่าเป็นพระแล้วก็ละกิเลสเลยได้ไหมก็ไม่ได้เหมือนกันกับเกลือนี่แหละสมมุติว่าเรากำดินทรายมาสักกรมหนึ่งเอามาสมมติว่าเป็นเกลือมันจะเป็นเกลือไหมล่ะก็เป็นอยู่ แต่เป็นเกลือโดยสมมติไม่ใช่เกลือแท้ๆจะเอาไปใส่แกงมันก็ไม่มีประโยชน์ถ้าจะว่าเป็นเกลือแท้ๆมันก็เปล่าทั้งนั้นแหละนี่เรียกว่าสมมุติทําไมจึงสมมุติเพราะว่าเกลือไม่มีอยู่ที่นั่นมันมีแต่ดินทรายถ้าเอาดินทรายมาสมมุติว่าเป็นเกลือมันก็เป็นเกลือให้อยู่เป็นเกลือโดยฐานที่สมมุติไม่เป็นเกลือจริงคือมันไม่เข็ม ใช้สำเร็จประโยชน์ไม่ได้มันสำเร็จประโยชน์ได้เป็นบางอย่างคือในขั้นสมมุติไม่ใช่ในขั้นวิมุตติชื่อว่าวิมุตตินั้นก็สมมุตินี่แหละเรียกขึ้นมาแต่ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันหลุดพ้นจากสมมุติแล้วหลุดไปแล้วมันเป็นวิมุตติแล้วแต่ก็ยังเอามาสมมุติให้เป็นวิมุตติอยู่อย่างนั้นแหละมันก็เป็นเรื่องเท่านี้จะขาดสมมตินี้ได้ไหม ก็ไม่ได้ถ้าขาดสมมุตินี้แล้วก็จะไม่รู้จักการพูดกันไม่รู้จักต้นไม่รู้จักปลายเลยไม่มีภาษาจะพูดกันฉะนั้นสมมุตินี้ก็มีประโยชน์คือประโยชน์ที่สมมุติขึ้นมาให้เราใช้กันเช่นว่าคนทุกคนก็มีชื่อต่างกันแต่ว่าเป็นคนเหมือนกันถ้าหากไม่มีการตั้งชื่อเรียกกันก็ไม่รู้ว่าจะพูดกันให้ถูกคนได้อย่างไร เช่นเราอยากจะเรียกใครสักคนเราก็เรียกว่าคนคนก็ไม่มีใครมามันก็ไม่สําเร็จประโยชน์เพราะต่างก็เป็นคนด้วยกันทุกคนแต่ถ้าเราเรียกจันทร์มา น, นี่หน่อยจันทร์ก็ต้องมาคนอื่นก็ไม่ต้องมามันสําเร็จประโยชน์อย่างนี้ได้ประโยชน์อย่างนี้ได้เรื่องได้ราว ฉะนั้นได้ข้อประพฤติปฏิบัติอันเกิดจากสมมุติอันนี้ก็ยังมีอยู่ดังนั้นถ้าเข้าใจในเรื่องสมมุติเรื่องวิมุติให้ถูกต้องมันก็ไปได้สมมุตินี้ก็เกิดประโยชน์ได้เหมือนกันแต่ความจริงแท้แล้วมันไม่มีอะไรอยู่ในที่นั้นแม้ตลอดว่าคนก็ไม่มีอยู่ที่นั่นเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งเท่านั้นเกิดมาด้วยเหตุด้วยปัจจัยของมัน จะเริญเติบโตด้วยเหตุด้วยปัจจัยของมันให้ตั้งอยู่ได้พอสมควรเท่านั้นอีกหน่อยมันก็บุบสลายไปเป็นธรรมดาใครจะห้ามก็ไม่ได้จะปรับปรุงอะไรก็ไม่ได้มันเป็นเพียงเท่านั้นอันนี้ก็เรียกว่าสมมุติถ้าไม่มีสมมุติก็ไม่มีเรื่องมีราวไม่มีเรื่องที่จะปฏิบัติไม่มีเรื่องที่จะมีการมีงานไม่มีชื่อเสียงเลยไม่รู้จักภาษากันดังนั้นสมมติบัญญัตินี้ตั้งขึ้นมา เพื่อให้เป็นภาษาให้ใช้กันสะดวกเหมือนกับเงินนี่แหละสมัยก่อนธนบัตรมันไม่มีหรอกมันก็เป็นกระดาษอยู่ธรรมดาไม่มีราคาอะไรในสมัยต่อมาท่านหวังเงินอัดเงินตรามันเป็นก้อนวัตถุเก็บรักษายากก็เลยเปลี่ยนเสยเอาธนบัตรเอากระดาษนี้มาเปลี่ยนเป็นเงินก็เป็นเงินให้เราอยู่ ตอนนี้ไปถ้ามีพระราชาองค์ใหม่เกิดขึ้นมาสมมุติไม่ชอบธนบัตรกระดาษเอาขี้ครั่งก็ได้มาทําให้มันเหลวแล้วมาพิมพ์เป็นก้อนๆสมมุติว่าเป็นเงินเราก็จะใช้ขี้ครั่งกันทั้งหมดทั่วประเทศเป็นหนี้เป็นสินกันก็เพราะก้อนขี้ครั่งนี่แหละอย่าว่าแต่เพียงก้อนขี้ครั่งเลยเอาก้อนขี้ไก่มาแปรให้มันเป็นเงินมันก็เป็นได้ ที่นี้ขี้ไก่ก็จะเป็นเงินไปหมดจะฆ่ากันแย่งกันก็เพราะก้อนขี้ไก่เรื่องของเรื่องมันเป็นเรื่องแค่นี้แม้เขาจะเปลี่ยนรูปใหม่มาถ้าพร้อมกันสมมติขึ้นแล้วมันก็เป็นขึ้นมาได้มันเป็นสมมติอย่างนั้นอันนี้สิ่งที่ว่าเป็นเงินนั้นมันเป็นอะไรก็ไม่รู้จักเรื่องแร่ต่างๆที่ว่าเป็นเงินจริงๆแล้ว จะเป็นเงินจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เห็นแร่อันนั้นเป็นมาอย่างนั้นก็เอามาสมมุติมันขึ้นมามันก็เป็นถ้าพูดเรื่องโลกแล้วมันก็มีแค่นี้สมมุติอะไรขึ้นมาแล้วมันก็เป็นเพราะมันอยู่กับสมมุติเหล่านี้แต่ว่าจะเปลี่ยนให้เป็นวิมุติให้คนรู้จักวิมุติอย่างจริงจังนั้นมันยาก เรือนเราบ้านเราข้าวของเงินทองลูกหลานเราเหล่านี้ก็สมมุติว่าลูกเราเมียเราพี่เราน้องเราอย่างนี้เป็นฐานที่สมมติกันขึ้นมาทั้งนั้นแต่ความเป็นจริงแล้วถ้าพูดตามธรรมะท่านว่าไม่ใช่ของเราก็ฟังไม่ค่อยสบายหูสบายใจเท่าใดเรื่องของมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าไม่สมมุติขึ้นมาก็ไม่มีราคาสมมุติว่าไม่มีราคาก็ไม่มีราคา สมมุติให้มีราคาขึ้นมาก็มีราคาขึ้นมามันก็เป็นเช่นนั้นฉะนั้นสมมุตินี้ก็ดีถ้าเรารู้จักใช้มันให้รู้จักใช้มันอย่างสกลร่างกายของเรานี้ก็เหมือนกันไม่ใช่ของเรามันเป็นของสมมุติจริงๆแล้วจะหาตัวตนเราเขาแท้มันไม่มีมีแต่ธรรมธาตุอันหนึ่งเท่านั้นมันเกิดแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไป ทุกอย่างมันก็เป็นอย่างนี้ไม่มีเรื่องอะไรเป็นจริงเป็นจังของมันแต่ว่าสมควรที่เราจะต้องใช้มันอย่างว่าเรามีชีวิตอยู่ได้นี้เพราะอะไรเพราะอาหารการกินของเราที่เป็นอยู่ถ้าหากว่าชีวิตเราอยู่กับอาหารการกินเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเป็นปัจจัยจำเป็นเราก็ต้องใช้สิ่งเหล่านี้ให้มันสำเร็จประโยชน์ในความเป็นอยู่ของเราเหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนพระ เริ่มต้นจริงๆท่านก็สอนเรื่องปัจจัยสี่เรื่องจีวรเรื่องบิณฑบาตเรื่องเสนาสนะเรื่องเภสัชยาบำบัดโรคท่านให้พิจารณาถ้าเราไม่ได้พิจารณาตอนเช้ายามเย็นมันล่วงกาลหลางแล้วก็ให้พิจารณาเรื่องอันนี้ทำไมท่านจึงให้พิจารณาบ่อยๆพิจารณาให้รู้จักว่ามันเป็นปัจจัยสี่ เครื่องหล่อเลี้ยงร่างกายของเรานักบวชก็ต้องมีผ้านุ่มผ้าหม่มอาหารการขบฉันยารักษาโรคมีที่อยู่อาศัยเมื่อเรามีชีวิตอยู่เราจะหนีจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถ้าอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นอยู่ท่านทั้งหลายจะได้ใช้ของเหล่านี้จนตลอดชีวิตของท่านแล้วท่านอย่าหลงนะอย่าหลงสิ่งเหล่านี้มันเป็นเพียงเท่านี้มีผลเพียงเท่านี้ เราจะต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ไปจึงอยู่ได้ทําให่อาศัยสิ่งเหล่านี้สิ่งใดสิ่งหนึ่งจะบำเพลิภาวนาจะสวดมนต์ทำวัดจะนั่งพิจารณากรรมฐานก็จะสาเร็จประโยชน์ให้ท่านไม่ได้ในเวลานี้จะต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้อยู่ฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าไปติดสิ่งเหล่านี้อย่าไปหลงสมมติอันนี้อย่าไปติดปัดจจัยสี่อันนี้มันเป็นปัใจจัยให้ท่านอยู่ไปอยู่ไป พอถึงคราวมันก็เลิกจากกันไปถึงแม้มันจะเป็นเรื่องสมมุติก็ต้องรักษาให้มันอยู่ถ้าไม่รักษามันก็เป็นโทษเช่นถ้วยใบหนึ่งเนี่ยในอนาคตถ้วยมันก็จะต้องแตกแตกก็ช่างมันแต่ขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ขอให้ท่านรักษาถ้วยใบนี้ไว้ให้ดีเพราะมันเป็นเครื่องใช้ของท่านถ้าถ้วยใบนี้แตกท่านก็ลาบากแต่ถึงแม้ว่าจะแตก ก็ขอให้เป็นเรื่องสุดวิสัยที่มันแตกไปปัจจัยสี่ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้พิจารณานี้ก็เหมือนกันเป็นปัจจัยส่งเสริมเป็นเครื่องอาศัยของบันปะชิตให้ท่านทั้งหลายรู้จักมันอย่าไปยึดมั่นหมายมั่นมันจนเป็นก้อนกิเลสตัณหาเกิดขึ้นในดวงจิตดวงใจของท่านจนกระทั่งเป็นทุกข์เอาแค่ใช้ชีวิตให้มันเกิดประโยชน์เท่านี้ก็พอแล้ว เรื่องสมมุติกับวิมุตต์มันก็เกี่ยวข้องอย่างนี้เรื่อยไปฉะนั้นถ้าหากว่าใช้สมมุติอันนี้อยู่อย่าไปวางอกวางใจว่ามันเป็นของจริงจริงโดยสมมติเท่านั้นถ้าเราไปยึดมั่นหมายมั่นมันก็เกิดทุกข์ขึ้นมาเพราะเราไม่รู้เรื่องอันนี้ตามเป็นจริงเรื่องมันจะถูกจะผิดก็เหมือนกันบางคนก็เห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดเรื่องผิดถูกไม่รู้ว่าเป็นของใคร ต่างคนต่างก็สมมติขึ้นมาว่าถูกว่าผิดั้งนี้แหละเรื่องนี้ทุกเรื่องก็ควรให้รู้ไว้พระพุทธเจ้าท่านกลัวมันจะเป็นทุกข์ถ้าหากว่าถกเถียงกันเรื่องทั้งหลายเหล่านี้มันจบไม่เป็นคนหนึ่งว่าถูกคนหนึ่งว่าผิดคนหนึ่งว่าผิดคนหนึ่งว่าถูกอย่างนี้แต่ความจริงแล้วเรื่องถูกเรื่องผิดนั้นหนาเราไม่รู้จักเลยเอาแต่ว่าให้เรารู้จักใช้ให้มันสบาย ทำการงานให้ถูกต้องอย่าให้มันเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนผู้อื่นให้มันเป็น ก, กลางๆไปอย่างนี้มันก็สำเร็จประโยชน์ของเรารวมแล้วส่วนสมมุติก็ดีส่วนวิมุติก็ดีล้วนแต่เป็นธรรมะแต่ว่ามันเป็นของยิ่งย่อมกว่ากันมันก็เป็นไวยพจน์ซึ่งกันและกันเราจะรับรองแน่นอนว่าอันนี้ให้เป็นอันนี้จริงๆอย่างนั้นไม่ได้ ฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้วางไว้ว่ามันไม่แน่ถึงจะชอบมากแค่ไหนก็ให้รู้ว่ามันไม่แน่นอนถึงจะไม่ชอบแค่ไหนก็ให้เข้าใจว่าอันนี้ไม่แน่นอนมันก็ไม่แน่นอนอย่างนั้นจริงๆแล้วปฏิบัติจนเป็นธรรมะอดีตก็ตามอนาคตก็ตามปัจจุบันก็ตามเรียกว่าปฏิบัติธรรมะแล้วที่มันจบก็คือที่มันไม่มีอะไร ที่มันละมันวางมันวางภาระที่มันจบจะเปรียบเทียบให้ฟังอย่างคนหนึ่งว่าธงมันเป็นอะไรจึงปลิวพริวไปคงเป็นเพราะมีลมอีกคนหนึ่งว่ามันเป็นเพราะมีธงตงา่างหากอย่างนี้ก็จบลงไม่ได้สักทีเหมือนกับไก่เกิดจากไข่ไข่เกิดจากไก่อย่างนี้แหละมันไม่มีหนทางจบคือมันหมุนไปหมุนไปตามวัฏฏิของมัน ทุกสิ่งสารพัดนี้ก็เรียกว่าสมมุติขึ้นมามันเกิดจากสมมุติขึ้นมาก็ให้รู้จักสมมุติให้รู้จักบัญญัติถ้ารู้จักสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็รู้จักเรื่องอนิจจงทุกขังอนัตตามันเป็นอารมณ์ตรงต่อพระนิพพานเลยอันนี้เช่นการแนะนำพร่ำสอนให้ความเข้าใจกับคนแต่ละคน ม, มันก็ยากอยู่บางคนมีความคิดอย่างหนึ่ง พูดให้ฟังก็ว่าไม่ใช่พูดความจริงให้ฟังเท่าไหร่ก็ว่าไม่ใช่ฉันเอาถูกของฉันคุณเอาถูกของคุณมันก็ไม่มีทางจบและมันก็เป็นทุกข์แล้วมันเป็นทุกข์ก็ยังไม่วางก็ยังไม่ปล่อยมันอัตมาเคยเล่าให้ฟังครั้งหนึ่งว่าคนสี่คนเดินเข้าไปในป่าได้ยินเสียงไก่ขันเอ็อีเอ็ก อ, ก อ, กอกต่อกันไป คนนึงก็เกิดปัญหาขึ้นมาว่าเฮเสียงไก่ขันนี้ใครว่าไก่ตัวผู้หรือไก่ตัวเมียสามคนรวมหัวกันว่าไก่ตัวเมียส่วนคนเดียวนั้นก็ว่าไก่ตัวผู้เถียงกันไปมาอยู่อย่างนี้แหละไม่ยอมหยุดสามคนว่าไก่ตัวเมียขันคนเดียวว่าไก่ตัวผู้ขันไก่ตัวเมียจะขันได้อย่างไงก็มันมีปากนี่สามคนตอบคนคนเดียวนั้นเถียงกันจนรองไห้ ความจริงแล้วไก่ตัวผู้นั่นแหละขันจริงๆตามสมมุติเขาแต่สามคนนั้นว่าไม่ใช่ว่าเป็นไก่ตัวเมียเถียงกันไปจนร้องไห้เสียอกเสียใจมากผลที่สุดแล้วมันก็ผิดหมดทุกคนัแหละที่ว่าไก่ตัวผู้ไก่ตัวเมียก็เป็นสมมุติเหมือนกันถ้าไปถามไก่ว่าเป็นตัวผู้เหรอมันก็ไม่ตอบเป็นไก่ตัวเมียเหรอมันก็ไม่ให้เหตุผลว่ายังไง แต่เราเคยสมมุติบัญญัติว่ารูปลักษณะอย่างนี้เป็นไก่ตัวผู้รูปลักษณะอย่างนั้นเป็นไก่ตัวเมียรูปลักษณะอย่างนี้เป็นไก่ตัวผู้มันจะต้องขันอย่างนี้ตัวเมียต้องขันอย่างนี้อันนี้มันเป็นสมมุติติดอยู่ในโลกของเราก็ถูกตามคนเดียวนั้นแต่เพื่อนสามคนก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าไม่ใช่เถียงนันไปจนร้องไห้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร มันก็เรื่องเพียงเท่านี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันไม่ยึดมั่นถือมั่นทำไมจะปฏิบัติได้ปฏิบัติไปเพราะความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่จะเอาปัญญาแทนเข้าไปในที่นี้ยากลำบากนี่แหละที่ไม่ให้ยึดมันจึงเป็นของยากมันต้องอาศัยปัญญาแหลมคมเข้าไปพิจารณามันจึงไปกันได้ อันหนึ่งถ้าคิดไปแล้วเพื่อบันเทาทุกข์ลงไปไม่ว่าผู้มีน้อยหรือมีมากหรอกเป็นกับปัญญาของคนก่อนที่มันจะทุกข์มันจะสุขมันจะสบายมันจะไม่สบายมันจะล่วมทุกข์ทั้งหลายได้เพราะปัญญาให้มันเห็นตามเป็นจริงของมันฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านให้อบรมให้พิจารณาให้ภาวนาภาวนาก็คือ ให้พยายามแก้ปัญหาทั้งหลายเหล่านี้ให้ถูกต้องตามเรื่องของมันเรื่องของมันเป็นอยู่อย่างนี้คือเรื่องเกิดเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายมันเป็นเรื่องของธรรมดาธรรมดาแท้ๆมันเป็นอยู่อย่างนี้ของมันท่านจึงให้พิจารณาอยู่เรื่อยๆให้ภาวนาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายบางคนไม่เข้าใจไม่รู้จะพิจารณามันไปทาไม เกิดก็รู้จักว่าเกิดอยู่ตายก็รู้จักว่าตายอยู่นั่นแหละมันเป็นเรื่องของธรรมดาเลื่อเกินมันเป็นเรื่องความจริงเลื่อเกินถ้าหากผูดด้ใดมาพิจารณาแล้วพิจารณาอีกอยู่อย่างนี้มันก็เห็นเมื่อมันเห็นมันก็ค่อยแก้ไขไปถึงหากว่ามันจะมีความยึดมั่นหมายมั่นอยู่ก็ดีถ้าเรามีปัญญาเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามันก็บันเทาทุกไปได้ ฉะนั้นจงศึกษาธรรมะเพื่อแก้ทุกข์ในหลักพุทธศาสนานี้ก็ไม่มีอะไรมีแต่เรื่องทุกข์เกิดกับทุกข์ดับเรื่องทุกข์จะเกิดเรื่องทุกข์จะดับเท่านั้นเองท่านจึนจักเป็นสัจธรรมถ้าไม่รู้มันก็เป็นทุกข์เรื่องจะเอาทิฏฐิมานะมาเถียงกันเนี่ยก็ไม่มีวันจบหรอกมันไม่จบมันไม่สิ้นเรื่องที่จะให้จิตใจเราบรรเทาทุกข์สบายสบายนั้น เราก็ต้องพิจารณาดูเรื่องที่เราผ่านมาเรื่องปัจจุบันและอนาคตที่มันเป็นไปเช่นว่าพูดถึงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายทำยังไงมันจึงจะไม่ให้เป็นห่วงเป็นใ ย, ยกันก็เป็นห่วงเป็นใยยอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าหากบุคคลมาพิจารณารู้เท่าตามความเป็นจริงทุกทั้งหลายก็จะบรรเทาลงไปเพราะไม่ได้กอดทุกไว้